พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดลำดับที่สิบสี่โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบมีชื่อเรื่องว่าเข่าอยู่ในรูวันนี้สมชายไม่มาร้องกวนเว้ เมื่อวานนชมชัยมาร้องเพลงแข่งห ล, ลวงพ่อหลวงพ่อเลสู้ไม่ไหวต้องได้หยุดนะวันนี้ศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้สมทบเจดีองค์หลวงตานะแต่หลวงพ่อไล่ดูดประมาณ9ก้องนะนี่คือพ่อโูลลุ่นทองพร้อมลูกหลานหนึ่งกองสามพันบาท ขุนเชียมหนึ่งพันบาทคำปุลละว่าอันนี้ก็สามพันบาทแล้วก็นางประพั ด, พดสอนและพ่ออพิษานผิวสริริอันนี้ก็สามพันบาทอันเนจารย์ชวน พออชวนอ่อนพร้อมครอบครัวอันในเก้าพันบาทโอ้วันนี้ได้หลายกองลูกหลานมาหลวงพ่อจลรวบร่วมเป็นกฐินสามัคคีถวายองค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อจะอ่านให้ฟังเนี่ยวันเสาร์ที่เจ็ด ตุลาคมพุทธศักราช2560เวลา 9:00 นณวัดป่าเกศรศิลุณวงเล็บวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและบัญชีชื่อบัญชีกฐินสามัคคี 84,000 กองเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดี พระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บหลวงตามหาบัวยณตสัมปันโนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่7212381888นี่ลูกหลานผู้ใดได้ยินนะ ที่จร่วมสมทบกรตินสัมัคคี 84,000 ่พันกองวันที่เจตุลาคมพุทธศักราช 2,560 เวลา69นาฬิกาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารบัญชีออมทรัพย์เลขที่7สองหนึ่งอสามดหนึ่งแปขีด วัญชีเนี่ยบัญชีอยู่ที่จังหวัดอุดร น, นะอุดรธานีเนี่ยวันนี้เป็นวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560วันพง์นี้เป็นวันสำคัญวันนวัดป่าบัานตารนะะทาญาติโยมโลูกหลานผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะไปร่วมกันทําบุญ วันเกิดขององค์หลวงตาเรายัางถือว่าเป็นวันสำคัญและก็วันพุ่งนี้เป็นวันการมีการทำบุญมีกิจกรรมหลายอย่างวันพุ่งนี้นะถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็หลวงพ่อเองเมื่อวนันหลวงพ่อในช่วงนี้รู้สึกว่ากระเป๋าวัดของเรารู้สึกว่าเปิดน ะ, ะกระเป๋าเปิดนะ ทำบุญมีแต่รับมาแต่บัดนี้เราเปิดออกไปเนี่ยเวลามาก็ามาเวลาไปก็ไปเมื่อวันที่9วันที่9เราก็ไปหลวงพ่อไปที่โรงเรียนศรีบุญเรืองอําเภอศรีบุญเรืองจังหวัดน้องบวัวลําพูอันนี้เขาโรงเรียนเขามีนักเรียนเกือบสามพันนะลูกหลานนะโรงเรียนไปจังอาเภอเขาก็มาที่มนฑลหลวงพ่อนมนานแล้วล่ะ หลวงพ่ออื้งแต่นี้หลวงพ่อได้ไปภาป่าคือจุดประสงค์ของเขาก็คืออยากจะหาทุนให้โรงเรียนเพื่อซื้อรถะหลวงพ่อก็ไปไปก็ได้ปัใจจัยในวัดของเราที่แรกหลวงพ่อก็คิดว่าคงจะอคงจะทํามีมากหลวงพ่อจะไม่ให้นะเพราะว่าหลวงพ่อเลงมาทางเจดีะทุกวันนี้นะแต่เนี้ยไปเห็นออ้ยังน้อย มันย่อปย์หลวงพ่อก็ได้ให้ปัจจัยวัดไปนะสองแสนนะวันที่เก้าคนณะสัทธา ญ, ญาตโยมลูกหลานอนุโมทนาเนอะให้อันนี้โรงเรียนนะเนอร์สองแสนบาทไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อหลวงพ่อประกาศที่ไหนที่ใดมาเป็นปัจจัยของวัดเป็นปัจจัยของคณะสงฆ์เป็นปัจจัยของคณะสัทธายาตโยมที่เอามาถวายหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เก็บเป็นก้อนขึ้นมาจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์ทั้งวัดด้วยทั้งโรงเรียนด้วยทั้งโรงพยาบาลด้วยอันนี้ก็ให้โรงเรียนนะเพื่อเขาจะได้วันนั้นเขากอ่อยอดเผ่าพระป่าวันนั้นได้สามแสนกว่าแต่หลวงพ่อเขาอีกสองแสนเป็นห้าแสนกว่าแต่พอมาทราบเมื่อวานวันก่อน นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเข้าไปเป็นหลายรุ่นนะรุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ก็มีรุ่นตาก็มีเขาก็ได้สมทบเข้ามาอีกได้เงินล้านสา ม, มาั่งก็ได้ก้อนใหญ่พอสมควรอยู่แต่เขคงทยอยมาเรื่อยๆกรับว่างานนะอันนี้ก็คือโรงเรียนอำเภอศรีมนเรื่องจังหวัดน้องบัวลาพูนะแต่วันที่สิบเมื่อวานนี่ยตรงพ่อเขาให้คณะกรรมการออกไปโอนเงิน เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่แหละหลวงพ่อให้ใส่ใจอยู่นะจุดนี้นะแปดหมื่นสี่พันกองเนี่ยจะทอดวันที่เจ็ดตุลาคมหกหศนเนี่ยหลวงพ่อก็ให้โอนเข้าบัญชีเนี่ยบัญชีที่ไหนบัญชีไทยพาณิชย์สาขาถนนทหารนีน่ยเลขที่บัญชีเจ็ดสองหนึ่งสองสามปดหนึ่งแปดแปดขีดแดเนี่ย หลวงพ่อให้คณะกรรมการโอนเข้าไปหนึ่งล้านน้ำมาวานะลูกหลานนะเงินวัดของเราเนะ่อนุโมทนานะีหนึ่งล้านบาทมาานะเมื่อวานเท่ากับสามร้อยสามสิบสามกล่องสามร้อยสามสิบสามกล่องหนึ่งหนึ่งล้านแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเนดะี๋ยวจะรวบรวมอีกออถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะทอดกระถินปีนี้เนะ่ย หลวงพ่อตั้งเป้าไว้ประมาณ3นะลูกหลานนะอันนี้ไปไปละหนึ่งนะยังอีกสองนะแต่จะสมจะได้ส ม, มความมุมม่งมา่นปราดนาไหมจะคอยดูก็แล้วกันนะได้ไหมหรือไม่ได้อันนั้นอนืองอ น, นาคตนะนี่แหละอันนี้หลวงพวกเราขพยายามทยอยทำบุญไปเรื่อยหลวงพ่อจะปลด <c oughs> ขยับลงมาให้ที่เป็นนีบไว้ห้าสล้านบาท ถ้าว่าเอาไปข้าวนี่ก็ยังเหลืออยู่47ล้านใช่ไหมถ้าว่าเอาไปอีกสองล้านก็ยังเหลืออยู่45ใช่ไหมละ่ะนี่ยแหละลดลงมาเรื่อยๆ ล, ลูกล้านอันนี้ปดหนี้บุญนะปลดหนี้บุญที่เราตั้งใจเอาไว้นะเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเนี่นแหละถ้าศรัทธาญาติโยมผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพอนะ่อเออออกมา หลวงพ่อจะรวบรวมแล้วจะโอนเข้าไปเรื่อยๆนะแต่จะโอนเข้าบัญชีเลยนะจะไม่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่หลวงพ่อจะไม่เอาไปฝากใครจะไม่ย้อนตู้นะจะให้ตรงเข้าไปบัญชีนี่เลยนะเลขบัญชีที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเนี่ยให้ลูกหลานคัดนิสิตาญาติโยมนะโอนเข้าบัญชีนี่เลยถูกต้องจากนั้นก็จะเข้าไปใช้ในพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาและก็วันพรุ่งนี้เท่านี้ วันที่สิบสองสิงหาเนี่ยจะมีอะไรบ้างบ้างหลวงพ่อครับหลวงพ่อขาหลวงพ่อขอชี่แจงให้คณะทายาิโยมได้รับรู้รับทราบว่าคณะกรรมการของเขาเขาจัดงานขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทําบุญสมทบทุนป้าปล า, าแล้วก็กระถินนี่จองกระถินปี2560้ใครจะจอง ก็ได้แล้วว้ยใคร เ, เมื่อจองเสร็จแล้วไปโอนที่บ้านก็ได้ทางคณะกรรมการเขาจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะแล้วก็วันพุ่งนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะมีกรรมพิธีกรรมเทเสาเอกคือเสาเอกเสาพระเจดียกลางพระเจดีย์เลยล่ะนะวันพุ่งนี้พอเทเอาปุ่งเทลงไปแต่พวกคณะ ของเราก็อยู่นอกรั้วเนี่นะเพราะเขาจะไม่ให้เข้าไปโอไปเห็นเลยเขาทำรั้วแบบแบบเหมือนจะไม่ลื้อเลยแหละไปเห็นโอ้โหบริษัทเนี่ยเขามาตรฐานจริงๆพอไปเห็นเขาทำรั้วเท่านั้นแหละเราก็ยอมรับเลยรั้วตาข่ายสังกษีรอบอแบบแข็งแรงเลยแบบเหมือนจะไม่ลื้อเลยล่ะ เ, เ, เหมือนก็อยู่จะอยู่เป็นเอ า, เอาไว้เป็น ล้วของเจดีเลยแหลนะเขาทํานะแต่ว่าเขาจะรื้อนะกว่าเสร็จแล้วเนาะเขาจะรื้อนะพอพวกเราคนทุกอยู่ข้างนอกอยู่ในเต็นท์ข้างนอกนะ่ะพระสงฆ์ก็มีปลํำพิธีแล้วก็สวดเมื่อเขาเทปูลเสาเอกนะพวกเราก็สวดอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทธวิชัยเจรณนาะสามปันโนพวกเราก็จะสวดอิติปิโสพอว่าลงตาเนีเป็น พระอุชุเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุเชกายะสามีจิเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานลวงตาเป็นพระอริยสง์สาวกในความรู้สึกนึกคิดของพวกสิทธิอนุสิท์ทั้งหลาย น, ะนี่แหละอันนี้ก็เราก็สวดอิทธิพิโสพร้อมกันแล้วก็เทปปูนแล้วก็พร้อมกันจะมีการเซนจารึกชื่อนะ ลงในแผนทองนะอันนี้เขาก็เตียวไว้มากเลยนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อได้ยินเสียลรงพ่อนะเนี่ยมาพร้อมๆกันเขาจะจัดเป็นเต็นเข้าไปแล้วกส็สลักชื่ อ, อ, อในแผนทองออถ้าบางคนก็ถามว่าถ้าพ่อแม่ไม่มาเลยจะเซ็นชื่อให้ได้ไหมโอ้มันเช็นชื่อปลอมมันคงไม่ได้มั้งเหมือนกับเรา เราจะเซ็นชื่อของเราเราจะไปแทนเซ็นชื่อแทนคนอื่นน่มันคงจะไม่ถูกนะแต่ตามเจริงเขาจุดประสงค์ของเขาเขาก็ย อ, อยากจะให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเข้ามาแล้วก็มาเซ็นแผนทองอแล้วก็เขาจะเก็บไว้สำหรับพระสงฆ์กูบาอาจารย์เขาจะเก็บไว้กล่องนึงใส่กล่องสแตนเลสจากนั้นศรัท ธ, ธาญาติโยมเนี่ยเขาก็เก็บไว้กล่องหนึ่งวกาการาัการชั้นผู้ใหญ่ เ, เก็บไว้กล่องนั้นเขาจะแยกกล่องนะแผ่นทองเนี่ยเท่ากับบัตรประชาชนเนี่แหละมีรูปพระเจดีย์หลวงตาแล้วก็มีรูปหลวงตาด้วยหรือเปล่าเขาปั๊มนะเป็นเขาเป็นปั๊มเลยเขาปั๊มใส่แผ่นทองบางๆเลยจากนั้นเราก็ไปเซ็นชื่อลงจุดนั้นอนะ่ะจากนั้นเมื่อเขาเก็บแล้วเขาก็จะเก็บไว้เป็นไว้ในฐานพระเจดีย์ไม่ใช่ฐานข้างล่างนะคือพระเจดีย์มันมีอยู่สามชั้น เวียนพระทักษิณชั้นแรกประมาณสี่เมตรนะต่อมาแล้วก็มีอีกต่อมาที่ระฐานตรงที่สูงประมาณเกนะ้าเมตรนะจากด้านฐานคือฐานยังเป็นเก้าเมตรยังเป็นฐานอยู่นะยังเป็นฐานพระเจดีย์นะยังเป็นฐานอยู่ข้างบนขึ้นไปนี่คือพระธาตุของหลวงตาที่นี่ตร ง, ง, งกลางคือพระธาตุของหลวงตาขึ้นไปอีกนะ อันนั้นก็คือเราจะอยู่ในฐานพระธาตุของหลวงตานั่นแหละชื่อเหล่านี้นะเพราะฉนั้นเขาจึงจารึกอยากจะให้จารึกชื่อมีชื่อเอาไว้แล้วก็คล้ายๆว่าพวกเรามีชื่อนามสกุลเอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์อยู่ใต้พระธาตุพระเจดีย์ขององค์หลวงตาเนหะมือนกับเราเข้าไปทุกคนดวงใจ น้อมลำลึกถึงพระคุณของหลวงตาหลวงตาคือพระอริยสงสาวกผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบหลดพ้นจากอาสวะกิเลสพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนนที่รักเคารพในองค์หลวงตาห ล, ลอมหลอหลอหลอมเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวคือน้ำใจหนึ่งเดียวแล้วก็เขียนแผนทองจารึกเป็นรูปธรรมอีกต่างหาก ลำเลึกถึงพระคุณองค์หลวงตาหลวงตาได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลได้เป็นพระอริยะบุคคลอย่างไรอขอวันข้างหน้าก็ขอให้ข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างองค์หลวงตาที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลออย่างองค์หลวงตาทุกประการด้วยเทอเรนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะไม่ใช่ว่าเราไปเขียนชื่อไว้แล้วจะไปเป็น แต่เป็เป็นผีเป็นอะไรเฝ้าพระเจดีย์ไม่ใช่นะอันนี้ใครรอเราปรน ม, มือแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานมีชื่อของเราอยู่ในฐานพระเจดีย์อันนี้ก็คือคณะกรรมการเขาคิดขึ้นมาแต่หลวงพ่อไม่ขัดข้องใช่ก็ได้ดีเพราะว่าจะไงก็จะเป็นการหลอ่อหลอมน้ำจิตน้ำใจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะได้มีรายชื่อไว้ในพระเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งวัดทั้งนี้ทั้งนั้น คณะกรรมการเขาก็วิตกกังวลถ้าว่าผู้ใดจะเอาไปที่อื่นเอาไปเซ็นที่อื่นจะได้ไหมเขาหวังหนักใจเพราะเหตุไรเพราะว่ า, าบางคนก็เอาแผ่นทองนี่ไปไปก็ให้ไปเซ็นพอไปเซ็นเสร็จแล้วอาจจะเป็นมิจฉาชีพแฝงเข้ามาก็ได้เลมิจฉาชีพคืออะไรบอกเมื่อเอาไปแล้วก็เอ้าผมให้เซ็นแล้วก็เอาเงินมาผมจะเอาไปเข้าพระเจดี ผมจะนำไปเข้าไปเจดีนีเนะี่ยผมเอาเอาแผ่นทองมานะเจากนั้นกเ็เดี๋ยวก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแผ่นทองไม่รู้หายไปไหนมันเป็นทางออกของมิจฉาชีพอีกส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเขาก็กลัวจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเขาจึงว่ามไม่อยากจะให้ออกไปข้างนอกเลยแผ่นทองนะอยากจะให้ทุกคนไปเซ็นกันที่นั่นพอเซ็นแล้วก็เก็บเก็บ แต่การเซ็นทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้บอกว่าเซ็นแล้วต้องจ่ายเงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ไม่มีไม่มีคาว่า เ, เรียกเงินสุดแท้แต่เจ้าศรัทธาพ อ, อพอเซ็นชื่อเสร็จแล้วจะจองกระถินก็ได้เออกร ะ, กะนิอนข้าพเจ้าขอจองกระินนะชื่อนามสกุลเด็กโทรศัพท์จากนั้นก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ ถามไทยกับคณะกรรมการของเขาอันนี้คือหลวงพ่อไ ด, ได้รับทราบมาอย่างนี้นะคณะชรตทไทยญาติโยมโลูกหลานผู้ใดใครได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ยก็ให้สืบสอบถามคณะกรรมการวัดป่าวัดตาษนะเขาจะชี้แจงให้ฟังเพราะเขาก็ขึ้นป้ายักใหญ่เลลวประห ล, ลาเจดีลงตานี่เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่มีการถอยหลังพูดง่ายๆคาว่าถอยหลังไม่มี แต่หลวงพ่อเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นสิทธ์เยาวนิสิทธ์ขององค์หลวงตาท่านหนึ่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งไม่ใช่กรรมการนราเาะเป็นที่ปรึกษาเขายกยกให้เป็นที่ปรึกษาเขาจะมาปรึกษาก็ได้เขาไม่มาปรึกษาก็ได้เหมืะนกันนะแต่หลวงพ่อก็ไม่ว่าแต่หลวงพ่อมีทุนหลวงพ่อโอนเข้าไปพอถือว่าอันนี้คือเจดีของพ่อนะถึงจะเข้าจะให้เป็นยังไงหลวงพ่อจะทํำยังไงจะให้เจดีพิพิธภัณฑ์สําเร็จร่วงๆไป ด้วยดีฮะหลวงพ่อคิดเพียงแค่นั้นนะนาักาทายญาติโยมลูกหลานนะอแต่ลูกศิษย์ลูกหาบางคนเขาหาว่าหลวงพ่อเนี่ยเก่าวกายอยากเดินอยากดังอะไรลักษณะอย่างนั้นก็มีอยู่แต่ตามไม่จริงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเอไม่คิดอย่างนั้นหลวงพ่อไม่เคยคิดอย่างนั้นอายุของหลวงพ่อเท่าไหร่หลวงพ่อนับนิ้วมืออยู่ปีนี้เจ็ดสิบสามปีเลยจะอยู่กี่ปนะีจะดังไปเพื่ออะไร ดังไปหาดับอย่างนั้นใช่ไหมดังไปหาตายอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อมองตัวเองอยู่เสมอนะลูกหลานนะจิกไหนที่จะเกิดประโยชน์ที่หลวงพ่อพาชัทช้ญาติโยมลูกหลานที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อพระเนรทั้งหลายเนี่ยหลวงพ่อทําอะไรเดินอะไรดําเนิยยังไงผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรมลูกหลานรู้เห็นบอกมานะบอกมาหลวงพ่อทําอย่างนั้นไม่ถูกนะหลวงพ่อนะเอหลวงพ่อก็ยินดีฮจะรับฟัง แล้วก็ทำความเข้าใจทางหลวงพ่อผิดหลวงพ่อก็จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะแต่ที่ผ่านๆมาในะยังไม่เคยมีเพราะหลวงพ่อก็ไม่เคยเคยคิดว่าจะเอารัดเอาเปรียบผู้หนังผู้ใดใครผู้หนึ่งนะมีแต่เขาเนะี่ยบางคนมีบัตรสนเท่อีกมาเนะี่ยลูกหลานคนณะสัตย า, าญาิโยมนะเขาว่าเขาจะตัดตัดหลวงพ่ออินออกจากสิทธิ์หลวงตามหาบัวเขาว่ากันนะ ตาไม่จริงการตัดลูกศิษย์เพาลุงตามหาปัวท่านหนึ่งเป็นคนตัดน่ะยตัดลูกศิษย์นะลูกศิษย์จะมาตัดลูกศิษย์ไม่มีหรอกแต่ตำราที่ไหนนะมันมีที่ไหนวะมันผิดที่ตรงไหนมาชี้แจงเลยสิพูดที่จะตัดก็เห่าอยู่ในลูน่ะลูที่ไหนก็อยู่ในถ้ำเห่าวุ่งวุ่งในถ้ำเผอๆไม่ได้ยินเสียงทักแน่จริงเก่งจริงก็ออกมาเปิดเผยออกมาออกมาพูดเลยข้าพรเจ้านี่ยมีความเห็นอย่างนี้อย่างนี้นะ ก็ควรจะบอกควรจะพูดตรงๆนะอันนี้ไม่เห่าอยู่ในรูใครจะไปรู้แต่คนเขาไม่พอใจในรัฐบาลและไม่พอใจในใครเขายังโผล่ในยังเห็นหน้าในโทรศัพท์ในโซเชียล น, นะอันนี้มันอยู่ในไหนของไมล์เรเนี่แหละหลวงพ่อเองบอกว่าถ้าหลวงพ่อไม่ไว้ใจ ไม่เป็นที่ไว้ใจของหลวงตามหาบวัวพูดง่ายๆพูด ต, งตรงๆเลยนะลุลงพ่อของไม่ไในพี่ใน ร, รมพูดอย่างนั้นได้ไปอ่านดูพี่ใน ร, รมว่ายังไงไอ้นีเ่เบนเตียแต่คนโง่งๆเซ่อๆนะเขาว่ายังไงก็เชื่อไปตามเขาออันนั้นก็สุดก็ช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าว่าพูดตามความเป็นจริงออกมานะเป็นยังไงหลวงตามีมายัางไงหลวงตาก็มาวัดทิ่ของเราก็เห็นอยู่เออจะ โดยสม่ำเสมอมีอะไรนี่แหละหลวงพ่อเองมั่นใจมั่นใจในความรู้สึกนึกคิดของตอนเองส่วนหนึ่งเราไม่มีอะไรที่จะไปเบียดบังเรื่องโลกาเมตรเราเพียงพอเราพอจะพูดอย่างนั้นเราพอเป็นไปได้ไม่มีปัญหาพอหลวงตาท่านช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวัดของเราเห็นไหมกำแพงยาวเหยียด เป็นของไข่ของหลวงตาทำให้นะและก็อย่างอื่นอีกมากมายที่หลวงตาสงคออคเคราะห์อนุเคราะห์เพราะนั้นพูดที่จะมาพูดมากล่าวอะไรก็ตามหนะลวงพ่อเองอยากจะอยากจะทำความเข้าใจจุดนั้นเหมือนกันกับน้องๆทั้งหลายากับพี่ๆทั้งหลายกับจัตถายาิโยมทุกหมู่ทุกเหล่าท่าหลวงพ่อบอกนงพ่อบอกเลยนะอปองพ่อ จะว่าพยากรก็ใช่จะบอกกล่าวก็ใช่ระวังนะน้องๆทั้งหลายนะถ้าเป็นพระนะ อ, อมันหาเรื่องหาเราเ อ, อถึงที่มันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีวัดจะอยู่นะห <c> ล <oughs> วงพ่อว่านะเดี๋ยวไม่มีวัดจะอยู่นะเอรัทธาญ า, าจโจงก็เหมือนกันถ้าหาว่าพูดออกไม่เป็นศีลเป็นธรรมนะมีแต่หาเรื่องใส่คนอื่นระวังนะไม่มีบ้านจะอยู่อีกเหมือนกัน แต่คอยถ้คอยดูนะ บ, นบ้านจะวิบัติวัดจะวิบัติวิบัติเหมือนกันถ้าว่าทำไม่ถูกนะเพรา้ขอให้พวกเรา ท, ทุกทท่านทุกคนที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อใ ห, ให้ฟังเอาไว้นะให้เป็นสิลเป็นธรรมให้คิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมทาเป็นธรรมให้คิดธรรมพูดเป็นธรรมถ้าอยู่ถ้าคิดพูดเป็นธรรมแล้วอยู่ที่ไหนร่มเยินเป็นสุข ทุกแข่งทุกขนนะ่ะลูกหลานนะ่อถ้าคิดทำพูดไม่เป็นธรรมแล้วเดือดร้อนนะ่ะอันดับแรกก็ฟืนไฟเผาหวัวใจของตนเองนะ่ะแต่หลวงพ่อนะ่ะไม่เผานะหลวงพ่อนะี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรในหวัวใจไม่มีอะไรในกอไผ่พูดอย่างนั้นได้นะ่ะเพราะนั่งคอ้พวกเราทุกๆท่านนะฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่นะหลวงพ่อมีแต่เชิดชูบูชาพระคุณหลวงตา ถ้าเาสร้างขึ้นมาแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อเมืองอุดอร เ, เรื่อง เ, อเป็นประโยชน์ต่อเมืองอุดอรแต่อันนี้เป็นนามธรรมนะอันนี้เป็นนามธรรมแต่เป็นรูปธรรมก็จริงอยู่แต่ตัวนามธรรมที่จะตามมานั้นะมากมายเหมือนกับหลวงพ่อสอนลูกสอนหลานทุกวันนะั่นแหละลูกหลานทั้งหลายเน้อเป็นคนมีศีลมีธรรมนะเน้อมีสัมมาคารวะเนะ้อรู้จักดีรู้จักชั่วเนะ้อ ให้รู้จักำทำมาหาเลี้ยงชีพนะให้ประกอบสามมาชีพนะลูกหลานเนอแต่ลุงพ่อพูดเนี่ยเป็นพูดเป็นลมปากนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายผู้ได้ฟังนะผู้ดใดฟังบางคนก็เฉยแต่บางคนนำไปปฏิบัติเอ อ, เ อ, อใช่หลุงพ่อท่านพูดให้เราเป็นคนดีท่านบอกว่าอย่าไปกินเหล้านะถ้าใครกินเหล้าก็ตามอย่ามาเรียกหลุงพ่อว่าเป็นอาจารย์นะ อ, อถ้าว่าผู้ใด สึกออกไปแล้วหยุดกินเหล้าเออนะ่นะเออจะเรียกหลวงพ่อว่าเป็นอาจารย์ฮนะเออเพราะหลวงพ่อนะไม่สอนคนบ้านะคนกินเหล้านะี่คือคนบาสมันสอนไม่ได้เออมันต้องสอนคนดีนะต้องคนมีสติสัมปชัญญนะเนี่ยถ้าลูกศิษย์ลูกหาฟังไปแล้วนําไปปฏิบัตินะเออเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ขึ้นมาโอ้ใช่เราได้ยินหลวงพ่อเราพูดเตือนเราอย่างแรงในข่าวนั้นนะ่ะ นี่แหละอันนี้คือนามวมัฒน์เมื่อนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับตัวของท่านเองเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินเพราะอะไรเพราะศีลธรรมมันคิดคุณค่าไม่ได้เป็นคิดเป็นตัวเงินไม่ได้ตัวนี้อันนี้ก็เหมือนกันการสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะ เ, เราเป็นคิดอ อ, อกมาเราคุณค่ายังไง อ, อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาจากจุรัญจาตุรทิศ มาแล้วก็เดี๋ยมาจับจ่ายไส์สวยในเมืองอุดรต่อไปภายภาคหน้านะ่ยอันนั้นตัวนั้นแหละเป็นนามามาทำมองไม่เห็นจุดนั้นเออแต่มันต้องมีแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะหลวงพ่อคิดไกลขนาดนั้นนะคณะสัตยาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดไปแล้วก็ยืดยาวพอได้พูดถึงเจดีหลวงตาที่ไรกันะหลวงพ่อจะบรรยายให้กว้างขวางนะเอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร เดี๋ยวกูบาทั้งหลายจะหิวอาหารแล้วปวดยาวนะ